ส่วนอุบายต่างๆเนก็เพื่อตรงนี้อุบายหลาวิธีหรือวิธีการปฏิบัติก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่และอุบายเนี่ยก็เพื่อให้มีความรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความปล่อยวางก็จะถึงที่สุดเป็นความทุกข์ไดเ้เราก็เลือกเอาว่าอุบายไหนมันถูกกับจดิตของเราพระพุทธองค์ท่านก็ทรงตัดได้ว่าสเสมอเราจะข้ามฝั่ง จะข้ามฝั่งแม่น้ำเนี่ยเราเจอพ่วงแพรเราก็ใส่พ่วงแพรนั่นอนะ่ะทอข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งพอถึงฝั่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องขึ้นฝั่งด้วยตัวเป ล, ปลา่าๆไม่ต้องแบกพ่วงแพนั้นไปด้วยนี่เป็นคำอุปมานะเหมือนอย่างกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นวิธีใดก็ตามแบบใดก็ตามพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวาง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 เราต้องอาศัยรูปแบบไปก่อนอาศัยพ่วงแพรเพื่อทอข้ามฝั่งไปฝั่งกันนู้นเราจึงต้องมาศึกษาวิธีการปฏิบัติให้มันถูกตรงกับจริตของเราคือต้องฝวกเทียบทําให้เป็นซะก่อนเราต้องทําให้เป็นเจริญสติให้เป็น เ, นเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถึงมันเป็นไปเพื่อความปล่อยวางอะไรับ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 เราจะระสติเป็นแล้วทําถูกต้องแล้วอันเนี้ยสาคัญนะเราจะทราบได้อย่างไรเนี่ยเราฟังอยู่ทุกวันทุกวันบ่อยๆทําอยู่เนืองๆเนี่ยเราจะวัดผลตัวเองได้งไงว่าเราทําเป็นแล้วถูกต้องแล้วอันนี้ง่ายๆมันมีอยู่แล้วในตัวเราการเจริญสติให้เรารู้ซสว่าเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังรอนฟังรายการอยู่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 เรารู้ตัวไหมถ้าเรารู้ตัวได้แล้วก็เราจะเจริญสติได้แล้วเรากาลังมีความคิดปรุงแต่งจะเรื่องอะไรก็ตามปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เรารู้ตัวไหมเรือเรากําลังเผลอปล่อยจิตปล่อยใจเลื่อนลอยขาดสติถ้าเรารู้ตัวว่าเราขาดสตินี่นะเรารู้ตัวแล้วนะตอนนี้ถ้าขาดสติแล้วก็สติเกิดทันทีเลยง่ายๆใช่หไหมเราสามารถเปรียบ อูกับปัจจุบันเราได้เนี่ยสคัญที่ว่าต้องมีปัจจุบันรู้ตัวขณะปัจจุบันที่กําลังมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยและจิตใจต้องปกติต้องไม่สงสัยสําคัญมากเลยคือมีความรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรใ น, นขณะปัจจุบันเฉพาะหน้ากับจิตที่เป็นปกติเฉยๆกลางๆสบายๆายนี่แหละถือว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้ว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 คือการเริ่มรู้ธรรมะอย่างเช่นว่าเรากาลังรู้สึกตัวอยู่ขณะ น, นี้รู้จิตรูปประกายกำลังเคลื่อนไหวเรากำลังรู้ว่ารูปกายนี่กำลังเคลื่อนไหวซึ่งว่าเป็นรูปธรรมเป็นรูปประธรรมนะรูปมันกำลังเคลื่อนไหวไปมานี่คือรูปประธรรมไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราที่เป็นรูปประธรรมเราคือผู้รู้ รูประทัก็เคลื่อนไหวรูปประทับทำคือทอทงรอเรือรอเรือมอมาอันนี้คือรูปประทัซึ่งไม่ใช่เราแล้วรูปมันกำลังทำดีซะด้วยกำลังทอสาระอําทำรูปกำลังทำดีไม่เราทำดีรูปมันทำดีทำอะไรคือทำการเคลื่อนไหวสร้างสติกับเราแล้วคลายเราบู้ทิใช้รูปธระทมันทำดี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 ขิจฉาลิสยาคิดหึงหวงวิตกกังวลหวาดระแวงเบื่อเบื่อเซ็งเซอันเนี้ยนามคิดไม่ดีนะแสดงว่าเป็นนามทุกขนามมันเป็นทุกขไม่ใช่เราทุกนะ <c oughs> อย่าไปตูนะเราเป็นเพียงแก้ผู้รู้ผู้ดูเฉยๆนามมันเป็นทุกขเป็นความคิดเรื่เป็นนามมาลอกเป็นโรคของนามโรคในทางจิตวิญญาณจะเรื่องเป็นความพิการทางจิตก็ได้ซึ่งเกิดขึนในปัจจุบันเรามีสติ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 แม้ว่าจะเป็นวันออกพรรษาไปแล้วแต่ความทุกยังไม่ออกจากใจเราเรายังไม่ออกจากความทุกขมื่อวันที่ออกพรรษาไปเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทุกมันจะออกพรรษาคือออกจากใจเราเราจึงไม่ควรประมมาให้เราจเจริญสติทำความรู้สึกตัวกับชีวิตประจำวันสืบต่อไป